ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไรแต่รมวระพธิยานกำลังนำเสนอจุดเด่นที่ควรพิจารณาในปัจจยยการหรือปฏิจจสมบาทก็มาหลายข้อแล้วนะครับวันก่อนได้พูดถึงในแง่ของภาวะจักรคือกิเลสกรรมวิบากแต่ว่าเน้นเฉพาะตัวกรรมที่เป็นตัว ประกอบของความเป็นชีวิตอย่างแท้จริงประความเป็นอะไรของใครอย่างไรที่ไหนก็ตามนะเป็นไปตามกรรมของเขาแม้แต่ภารกิจการงานเช่นมาเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นชาวสวนเพราะกรรมขับรถก็เพราะกรรมเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นพระเป็นข้าราชการเนี่ยก็เพราะกรรมคือการกระทําของคนแต่ละคนก็ทําให้เขาเป็นในฐานะนั้นๆตามสมกวรแก่การกระทํะขทะนนท า, น า, น า, ข, ารรทของเขา ในความเป็นสังสารวัตรที่ทรงแสดงไว้โดยปริยายหนึ่งในติการนิบาตอังคุตรนกายทรงแสดงถึงปัจจัยสามประการที่ทำให้มีการเกิดคือกำมังเขตตัางกรรมนั้นเป็นเหมือนกับเนื้อนาหรือแผ่นดินที่เราจะปลูกพืชตรงไปถือว่าเป็นปัจจัยเสริมที่มีความสำคัญ ว่าไม่มีสถานที่ปลูกถ้าเราพูดภาษาปัจจุบันเขาเรียกว่าอุณหภูม่เอื้อต่อการงอกของพืชเหล่านั้นประการปลู ก, ลกพืชผักเวลานี้บางทีไม่มีดินก็ปลูกได้แล้วนะก็รดินก็คืออาหารของพืชนั่นเองอย่างความคิดแนวใหม่ๆออกมาทางภาคเกษตรกรรมมีการปลูกพืชผักโดย ใช้สารเคบีเป็นเชื้อทำให้เจริญเติบโตได้มันก็คือดินนั่นเองคือสรุปว่าก็คือโอชาของดินนั่นเองวิญญาณังดีชังบินดานั้นเบือนหนอของพืชตนาินเนหังกิเลสนะัะพึ่งง่ายว่ากิเลสเนี่ยเหมือนกับยางเหนียวที่มีอยู่ภายในพืชมันเป็นองค์ประกอบร่วมกันตรงนี้ตรมมองในสายปัจจยาการก็คือ ตัาหาก็คือวิชานะฮะกรรมก็คือสังขารวิญญาณก็คือวิญญาณตกลงก็เหมือนเดิมนะฮะแล้วบิชยาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดบิณยาณวิญยาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปเนะี่ยวันในตัวปัจจัยหลักสามอย่างนี้เขาแยกจากกันไม่ได้กิเลส ก, กรรมบิญยาณเนะี่ยแยกจากกันไม่ได้แต่แยกไปอันหนึ่งเนี่ยหมายความสังสารวัตรประดับล้บ เวลาเราพูดถึงพระอาหารเราอาจจะพูดถึงดับบุญและบาปเรียกว่าบุญญะปาปะไปโนเป็นภพละบุญและบาปตอนตัณหาพร้อมทั้งมุลรากบ้างดับอาสวะบ้า ง, ด, างดับกิเลสบ้างดับตัณหาบ้างก็แล้วแต่เหมือนกันนะฮะคือต้องเข้าใจว่าดับสัญญามันก็ดับหมดอันแหละเป็นวิธีการในการสื่อสารเฉยๆผู้ฟังจะเข้าใจโดยวิธีใดก็ทรงสื่อสารโดยวิธีนั้น แต่ว่าปริยายแห่งธรรมะที่เราศึกษาละเรียดเนี่ยจะต้องงองโดยโดยเนื้อหาแตาไม่งั้นมันเจอความขัดแย้งได้ตลอดเวลาเราศึกษาธารรมะค่าระดับรนะประสูตรกว่าทำเนาหน่ะพอถึงระดับปฏิธรรมและมืนเลยแหละถ้าหากว่าจับองค์ธรรมให้ถูกเราไม่รู้อะไรเป็นอะไรแย่ายกตัวอย่างบางครั้งนี่เราพูดดังรูปนามเนี่ยนะ รูปนามถ้าเราจับประเด็นไม่ได้แล้วเราก็ตายเลยมันจํานวนไม่รู้จะนับได้เท่าไหร่อ่ะแต่พอเราจับประเด็นให้ได้แล้วมันก็ไม่หนามากมันก็อยู่ในเนี่ในขันห้าเนี่ะในกลุ่มของอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดปิญญาเป็นวนันญาปิญญาเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปปัจจัยเกิดฐารจตนาปัจจาเวทนาเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็หมดแล้ว เพราะไรเพราะว่ารูปก็คือสิ่งที่เราสัมผัสได้โดยประสาทห้าขั้นต้นตัวประสาทห้าขั้นต้นมันก็เป็นรูปสิ่งที่เรารู้จากจากประสาทสัมผัสทั้งห้ามันก็เป็นรูปทีสัมผัสที่หกคือประสาทที่หกหรือสัมผัสที่หกก็เหมือนกันนะ่ะหมายความว่าอายตนะภายนอกก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าธรรมารมอายตนะภายในก็คือเรียกว่าใจเนี่ยมันเป็นนามพวันในความเป็นนามกับรูปเดี่ยมันทีมก็ซ้อนกันอยู่ เช่นสมมตอรอไมโครโฟนเนี่ยมันเป็นรูปบางทีเราได้ยินเสียงเราก็รู้มันออกมาจากไมโครโฟนแต่ตรงนั้นที่จริงเป็นรูปซึ่งเราจํามันเกิดจากสัญญาเกี่ความทรงจําของเราบางทีเราได้เห็นเราก็รู้มันเป็นไมโครโฟนบางทีเราก็จับต้องเราก็รู้เป็ไมโครโฟนแต่ตัวไมโครโฟนจริงๆตัวมันจริงๆนฮะมันก็อยู่ที่การจับต้องของเรา หรือว่าดูดูรูปร่างลักษณะของมันแล้วก็รู้ว่าสิ่งนี้คือไมโครโฟนเพราะในการรู้ว่าสิ่งนี้เป็นไมโครโฟนเนี่ยตัวรู้เนี่ยมันเป็นนามตัวไมโครโฟนเนี่ยมันเป็นรูปเลยก็อิงอาศัยตึ่งกัดหนักันแล้วก็ตัดสินโดยประสาทสัมผัสทั้งหกห้าข้อแรกไม่ว่าอะไรก็ช่า ง, งนะนับสักล้านกี่ล้านก็ได้ เรากำหนดดูในแต่ละขณะว่าสิ่งนี้เรารู้มันด้วยรูปด้ว ย, ด, วยด้วยประสาทสัมผัสส่วนใดเช่นเสียงรูปเสียงกลิ่นรสผลผลิเนี่ยมันเป็นรูปแต่ถ้าเรารู้ด้วยจิตเนี่ยหรือตัวจิตเองเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันเป็นนามนั่นก็คือการพยายามปรับความเข้าใจเอโดยโดยพิสดารเนี่ยมันพิสดารจนนับกันไม่ไหว แล้วก็มื่เลยแต่โดยสรุปเราก็จับได้นะเพราะมันเป็นแค่นามารูปเป็นแค่พันห้าแล้วนั่นเองจะเว้นนิพพานมันก็เป็นพันห้าทั้งนั้นเพราะในแวดวงของกิเลสกรรมวิญญาณตรงนี้ถ้าเรียกอีกทีหนึ่งก็คือกิเลสกรรมวิบากวิญญาณไม่เป็นผลคือเป็นวิบากของกิเลส ก, กรรมแล้วมันก็เป็นเหตุอย่างที่บอกว่าไอ้ตัวผลเนี่ยมันจะเป็นเหตุมันก็เป็นเหตุให้เกิดนามารูป นามรูปมันก็เป็นผลเกิดมาจากวิญญาณเดี๋ยมันก็เป็นเหตุได้เกิดอาิยตนะอริยตนะมันเป็นผลเรื่องเกิดมาจากนามารูปเดี๋ยมันเป็นเหตุได้เกิดปัจจาะก็ว่ากันไปเรื่อยๆทีนี้ศาสตร์ใดที่องค์ประกอบเหล่านี้ยังมีอยู่ครบทั้งสามประการไอ้กิเลสตัณหาเนี่ยอวิชชาตัณหามันจะหยาบกลางละเอียดก็ช่างมันนี่ยนะแต่หมายความมาถ้าเข้ายิ่งละเอียดเท่าไหร่เนี่ยกรรมมันละเอียดขึ้นเท่านั้น เมื่อการละเอียดวิญยานก็ประณีตเค่ น, นั้นจนเป็นวิญญาณที่เกือบบริสุทธิ์ไปก็บริสุทธิ์นะฮะระดับวิญญาณเนี่ยอย่างพระอนาคามีเนี่ยอยู่สุทธาวาสแปลว่าที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์ท่านก็มีทั้งกิเลสทั้งกรรมนะฮะทั้งวิญญาณแต่มันประณีตมากกิเลสก็ละเอียดยังเหลือสังโยชน์อยู่อีกอีก 3, อีห้าข้อแต่นั้นเดียวข้อแรกท่านก็ล่าได้หมดแล้ การไม่หวัดบางอย่างจึงพัฒนาตรงนี้พัฒนาปัญญาขึ้นไปเพื่อสลายอวิชากสลายอตาัตถะและอย่างอื่นจะก็จะเป็นกระบวนการนาปัจญาการสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดก็ทยอยกันไปดังในกาบมาแล้วว่ามันการกระทําในปัจจุบันมีส่วนทําให้กระบวนการปฏิจจสมบัติไหวหมดทั้งกระบวน คนทำกรรมดีสุขเวทนาก็เกิดขึ้นมาตนัตัณหาอาวิชานะฮะวิชาตนหนอุปไทานก็มีความเข้มข้นรรอ่อนลงกุศลกรรมก็เพิ่มขึ้นทำให้พบส่วนที่เป็นกรรมมาพบก็เป็นกรรมดีเรียื่นเป็นปุญญาปิสังขารสูงขึ้นก็นำไปสู่อุปฏติภพที่ประนีตตามสมควรแก่กรรม นะเช่นเช่นสมมุติว่าเราบําเพ็ญเพียรจนถึงระดับสมถะกรรมฐานแล้วก็ได้บรรลุฌานตีต่างว่าบรรลุประฌาน อ, อันนี่ยอาปฐมฌานนี่แหละแต่ว่านีหยาบกลางประณิจหยาบกลางประณิจที่จิตก่อนนะฮะที่ตัวฌานเนี่ยที่ฌานซึ่งเป็นส่วนผลมันหยาบกลางประนิจแตกต่างกัน แต่แน่ น, นอนก็มาจากเขตุนั่นแหละแต่การที่ปรากฏที่จิตมันเป็นผลมีหยาบกลางประนีตไอ้ตัวที่หยาบ ก, ก็เกิดเป็นพรมเหมือนกันแต่ว่าพรหมที่หยาบกว่าเมื่อเทียบกับอีกสองพรห ม, มนะคือขึ้นอยู่กับพระพมเนี่ยไปเทียบกับใครต่อพรหมไปเทียบกับเทวดาชั้นประนิมมัตตวสวัสดีพรหมก็ประนีตกว่าประนี ม, มิตรวสวัสดีก็หยาบกว่าแต่ปร ะ, ประนี ม, มันไปเทียบกับ นี่มานระตีมันก็ประณีกว่าก็คล้ายๆกับสูงกับต่ำอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นที่ที่เราเห็นละเอียดเนี่ยมันเป็นการเทียบอย่างเงี้ยเป็นการเทียบอย่างนี้ก็เลยยาวเลยเยอะเลยมีความละเอียดละใหม่แตกต่างกันออกไปภูมิในมันทียึดไงเราไม่ต้องดูภูมิจิตเราดูภูมิรู้ก็ได้นะ วมรู้ทางเศรษฐกษิจทางสังคมทางการเมืองทางอะไรก็ได้เวลาข้อที่บายเนี่ยอย่าวันก่อนไปเกิดไปเจอรายการก็อธิบายเรื่องที่เกี่ยวกับทางน้องคายนะเกี่ยวกับพระเจ ด, ดีประาธาตอะไรพวนๆอะไรเนี่ยคือฟังน้อยหนึ่งนะฮะฟังวิทยกรอภนะิปรายอยู่สองคนคือเราเห็นเลยว่าความแตกต่างกัน ต้นหนึ่งเป็นประหลัดอำเภอพูดใช้ปัญญาในการวิเคราะห์วิจัยแบบศึกษาโบราณกันดีอีกท่านหนึ่งพูดเป็นตำนานเลยพูดเป็นประลัมประาพูดในอนิทานประลัมประาถามว่าใครถูกใครผิดไม่มีใครถูกใครผิดหรอกแต่ถามว่าใครศึกษาได้ประณีตกว่าละเอียดกว่ามีผลมากกว่าเนี่ยก็จะเห็นว่าศึกษาอำเภอเขาศึกษาได้ละเอียดกว่า แดีตอนพระอธิบายคือฟังท่านได้น้อยหนึ่งก็รู้สึกว่าจะเน้นไปทางอิทธิปาฏิหาริแต่ตอนตอน้ตนๆว่ายังไงไม่ทราบนะฮะแต่ตอนตอนที่ฟังเนี่ยมันเน้นไปทางอิทธิปาิหาริย์มันก็ทำให้เห็นว่าปรมงปัญญาในท้องชินเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาคือแต่เราไปเก็บบูบวมความคิดเหล่านั้นขึ้นมาแล้วเป็นข้อมูลที่รับมาทั้งหมดก่อนรับมาทั้งหมดก่อน ต่มาศึกษาเทียบเคียงโดยหลักวิชาทั้งหลายเนี่ยมันก็จะได้ความถูกต้องมีเหตุมีผลมากขึ้นแต่ไปอย่างว่านะวิชาเหล่านี้มันมันไม่ค่อยเป็นรูปธปรรมเหมือนการทำงานของพระเราเนี่ยพระฝ่ายศึกษาสั่งสอนอบรมเนี่ยผลงานไม่ค่อยมีเป็นรูปธรรมคณหลักผู้ใหญ่เขาไม่เห็น มันสู้พวกปกครองกับพวกก่อสร้างไม่ได้มันเห็นเป็นชิ้นเป็นอันเลยก็ยกย่องฝ่ายปกครองกับฝ่ายก่อสร้างขวายศึกษาขวายเผยแผ่จะไม่รับการยกย่องเพราะว่าสังคมโลกเนี่ยมันมองหยาบๆก็มองในรูปธรรมเพราะนการทําบุญของคนเนี่ยโอกาสที่จะมุ่งไปสู่พรมเนี่ยมันน้อยก็มุ่งไปสู่ความสุข มีเทพธิดามีอะไรตรายมากก็ค <eye> ิดแบบสังปฏิสังยุตธ์ด้วยกรรมมรรคเนี่เยอะก็ไม่ได้มองโดยเหตุดโดยผลว่าเป็นเทพประบุตรองค์เดียวมีเทพธิดาห้าร้อยเนี่ยมันสนุกนักหรยอก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะแต่ว่ามองในแนวโดยพื้นฐานจิตที่มันเป็นอย่างนั้นเองซึ่งถ้าหากว่าเข้าไปอยู่ภัคสนามอย่างนั้นจริงๆเนี่ย ก็จะรู้สึกว่าเป็นเทวดาก็ไม่ใช่สนุกเพราะมันมีการมคุฎมันมีการได้การเสียการพลารักสูญเสียการเปลี่ยนแปลงจำเงื่อนไขของพวกวัตถุ ก, กรรมทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นพอจิตมันประณีตขึ้นเนี่ยอย่างตัวอย่างที่ว่าพรหมได้พระโถมชานนี่ยพอถึงระดับหยาบท่านก็เป็นพรหมบริษัทคือเป็นบริวารพรหม ระดับกลางก็เป็นพรมบุโรหิต <c oughs> คือเป็นที่ปรึกษาเป็นบุโรหิตของพรมระดับประนีตก็เป็นมหาพรมเลยคือเป็นใหญ่ในพรมโลกระดัชั้นหนึ่งนะฮะพรมโลกชั้นระดับปฐมจารยเนี่ยก็มียสามชั้นซึ่งก็มียาง ก, กลางประณีตมันประณีตกันขนาดนั้นแล้วเราไม่ต้องดูอย่างโน้นก็ได้ดูหนังสือก็ได้นะ วิชาความรู้เลยใจนว่าความเข้าใจในแต่ละรเรื่องเนี่ยมันมีความประณีตแตกต่างกันยกตัวอย่างว่าการอธิบายธรรมะวันก่อนดูรายการของอะไรอ่ะของศึกษาทางดาวเทียมที่เกี่ยวกการศึกษาพวกอะไรละ่ะทีวีที่ที่ก็อาจจะวังไจกังวล น, นี่ยนะครับเพือตั้งปัญหาถามธรรมะ ว่าธรรมะข้อไหนที่ทําให้บุคคลประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตนต้องการแล้วก็ถามมาสี่ข้อก็โดยเนื้อหาธรรมะเหล่านั้นแล้วเนี่ยเขาเรียกเป็นปัจจัยของกันเลิกกันคือจเจ้าข้อไหนก็ได้คือแต่จะให้อัตมาตรวจมันถูกหมดทุกข้อเพราะในภาคสนามแล้วข้อไหนก็ได้แต่ถ้าในภาควิทยาศาสตรตามความติดตามตัวอักษรแล้วเนี่ยคล้ายๆจะต้องข้อนั้นข้อนี้ มันก็เหมือนกับที่เรารณรงค์กันว่าสามัคคีมีวินัยไฝ่ายคุณธรรมร่วมแรงแข่งขันด้วยกันพัฒนาไปหาสันติเนี่ยถ้าเรามองเป็นกระบวนการแบบปัิจจาการเราไปจะเห็นว่าเนีย่ยเป็นเรื่องเดียวกัน่ะบว ก, การสําคัญมาจับหัวมาในได้หัวมันอยู่ที่ไหนหัวมันอยู่ที่ฝ่ายคุณธรรมคนที่ฝ่ายคุณธรรมมันต้องมีระเบียบวินัย คนที่มีระเบียบวินัยก็ต้องทํางานประสานกันส่งเสริมกันสนับสนุนการร่วมแรงรวดใจกันก็เป็นสามัคคีเมื่อสามาัคคีมันก็กลายเป็นการร่วมแรงแข่งขันงานที่เกิดขึ้นในการร่วมแรงแข่งขันมันก็ต้องสร้างสารรค์พัฒนางานที่สร้างสารรค์พัฒนามันก็สันติเมื่เกิดมันเป็นเรื่องธรรมดามากเเห็นไหมที่จริงมันเป็นปัจจัยการตากลุ่มข้อเนี่ยจับให้ได้จับที่หัวหได้ว่า มันอยู่ที่คุณคิดอย่างไรต่างหากนะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะ ก, กี่ข้อนับกระบวนตรงนั้นนับอย่างไงก็ได้นับไปมากก็ได้นับไปน้อยก็ได้มันเหมือนกับเราพูดเราพูดว่าแม่น้นเจ้าประยานเริ่มมาจากนครสวน์แล้วก็มาถึงกรุงเทพก็ได้แป๊บเดียวมาถึงกรุงเทพแต่เรารู้ว่ามันไม่ได้ถึงเร็วอย่างนั้นหรอก มันต้องผ่านสถานที่ต่างๆแลว้วไปไหลเข้าซอกซอนอยู่ในที่ต่างๆไว้ก่อนที่เหล่านั้นต้องเต็มไปโดยลําดับนะแล้วก็ผ่านมาจนถึงกรุงเทพมานครแล้วออกไปทางทะเลแต่เรื่องบางต่อเนี่ยเขาเรียกว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจคือไม่ออกมาพูดตอนใ น, นกระบวนการพบชาติเราจึงพบปริยายที่มีการจําแนกแสดงไว้เป็นอันมากแต่ว่าโดยเงื่อนไขมันจะมันจะเหมือนกัน หมายความเมื่อวิชาตันหาวประทานมาจางลงเนี่ยกรรมมันจะเป็นกุศลสูงขึ้นเพราะรภูมิของจิตมันจะสูงขึ้นซึ่งก็หมายความว่าพบที่จิตจะไปอุบัติก็ประนีขึ้นเราเรียกว่าขึ้นขึ้นสวรรค์ขึ้นไปเกิดปรมโลกก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เป็นกระแสของจิตเป็นเป็นคุณภาพของจิตที่สูงขึ้น กรรมก็เป็นตัวจำแนกภพชาติของคนให้ดีเลวประนิจแตกต่างกันถ้าสังเกตว่าหลักคำสอนในพระพุทธศาสนานั้นมุ่งลดปริมาณความเข้มข้นของวิจาตนาเอาไทานเป็นสำคัญนะไม่รู้จะทำไงให้ลดกิเลสเพราะว่าจะเริ่มที่ตัวมูลรากมันพ็ลดวิจาตนาปอาไทานใลลดข้อใดก็ข้อข อ, อื่นก็ชื่อว่าลดโดยมีเป้าหมายยที่ความหมดไปสิ้นไปแห่งวิจาตนาอาทาน เมื่อวิชาตะหนาวปาทานดับอย่างอื่ น, นก็ดับเองมันไม่ต้องพูดมันมันก็ถอนต้นไม้หมดทั้งต้นเนี่ยนะอย่างอื่นก็ตายเองข้างบ น, มนไม่ต้องไปนับใบมันพอเมื่อถึงจุดนี้ดับแล้วเนี่ยองค์ปฏิจจสมบัติอย่างอื่นก็ดับหมดเป็นอย่างที่เคยยกตัวอย่างไว้ในตอนตอน้ตนๆว่าเหมือนรถจักรทั้งขระบือนี่ยนะเราถอรถไฟทั้งกระบือนี่ถอดหัวรถจักรออกก็จบดัหรือว่าหยุดหัวรถจักรเสร็จก็จบดั ในความคิดตรงเนี้ยที่เขาบอกจับงูให้จับที่หัวจับโจในจับที่เอหัวหน้าหรือว่าแม่ทัพให้จับที่หัวหน้าดูจุทดที่สําคัญเนี่ยยุทธศาสตร์ในการทําสงครามอะไรก็ตามเร า, เราดูศูนย์ศูนย์บัญชาการใหญ่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนจะคุ้มกับลังค่ดศึกหมูใหญ่ที่มีตัวหัวมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยเออจัดการที่หัว เราดเรื่องรามันเกี่ยเนเห็นไหมรบ ก, กันไปรบ ก, กันมาทศกณัณฐ์ไม่ตายแล้วก็โลกันอยู่นั่นแหละพอทศกัณฐ์ตายก็จบนั่นคือคือกฎกฎมันอยู่ในคลุมอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างพันในเรื่องการสังเกตคําสอนในทางพระพุทธศาสนามันมันก็เหมือนกับกฎธร ร, รรมชาติเนีกฎธรรมชาติเมื่อ น, น้ํามาสมุทรนี่มันลดลง เราจะเห็นว่าน้ําในแม่น้ําใหญ่แม่ น, น้ําน้อยไปถึงลาําธารเรื่อยๆไปหลยมันก็ลดลงมาตามค ะ, ะับเพราะาเราดูที่แม่น้ําใหญ่ก็ได้หรือไปดูข้างบนนี่ก็ได้ดูลาธารเล็กลำธาร น, น้อยข้างบนนี่ก็ได้เราจะเห็นว่าถ้าน้ําข้างบนมันลดเนี่ยหมายความข้างล่างกนลดดูข้างล่างลดเนี่ยหมายความข้างบนก็ลดตรงตามไม่ต้องดูเหมือนกัน ก็ร า, าดูตรงกลางเราเห็นทั้งบนข้างๆกระบวนการของปฏจกิริยกระบวนการทางสารวัตรก็มีลักษณะอย่างนั้นเมื่อน้ํามาสมุทรลดลงทําให้น้ําในแม่น้ําใหญ่แม่น้ําน้อยบึงหนองลดลงเมื่อวิชาหมดไปเนี่ยก็ย่อมทําให้ไอากิเลสที่มีชื่อต่างๆสังขารก็หมดไปด้วยจะนั้นแสดงว่าสายดับแ่งปฏิจจังบัตก็เกิดขึ้นแล้วกลายเป็นดับเชาบาลามรณะ ปฏิจจสมบัติที่นำเสนอท่านผู้ฟังมาก็เป็นเวลานานประสมควรนะเพราะว่าไปยกตัวอย่างเทียบเคียงในเรื่อ ง, องแต่และเรื่องได้เห็นแล้วแม้ในโอกาสต่อไปนะฮะเราจะพูดเมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้นแหละมันอยู่ในแวดวงของปฏิจจสมบนะัตินั่นเอเพียงแต่ว่าจะพูดโดยปริยายใดเท่านั้นเองเพราะปฏิจจสมบัติก็คือหลักของอริยสัจใหญ่ ก็ธรรมะมาทั้งปวงหรือสากลแล้วพิภพทั้งปวงเนี่ยมันสรุปรวมลงที่ปฏิจจสมุปบาทหรือสรุปรวมลงที่อริยสัจสี่หรือสรุปรวมลงที่ขันห้าเนี่ยในขันห้าในในในอริยสัจสเนี่ยมันมีสายเกิดคือทุกข์กับเสมอไทยแล้วมีสายดับคือมรรคกับนิโรธแต่ตัวดับจริงๆมันตัวนิโรธตัวมรรคก็เป็นเหตุดับ คนพอมาถึงปฏิจจสมบทเขาก็เป็นอย่างเดียวกันสายเกิดมันก็ประกอบด้วยทุกข์กับสมุทยัยเราจเห็นว่าอาวิชชาตัณหาอุปาทานก็เป็นสมุทยัยตลอดถึงสังขารนะฮะตลอดถึงสังขารแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นทุกข์นามรูปอายตนะพัสสะเวทนาเนี่ยเราจะเห็นว่า เป็นเป็นทุกข์หรือแม้แต่อีกสุกหนึ่งก็เรียกชาติจารามนาโสะกะเปรเจวะทุกโทมณอุปายาต์มันก็เป็นทุกข์นะฮะตัวนี้จึงมีกิเลสมีกรรมและก็มีวิปัสสนาวก็กลายเป็นภวจักเป็นสังสารวัฏเราเรียกว่ากิเลสวัฏก ร, รมวัฏวิปัสสวัฏกิเลสวัฏก็มีอดีเหตุก็มีวิชาสังขารเป็นอดีเหตุ มีปัจจุบันเหตุก็เกิดวิชาไอ้ไม่ใช่ตันหาวปาธานพะบเป็นเป็นอดีตไอ้ไม่ใช่เป็นปัจจุบันเหตุก็นำไปสู่ผลเกิดอนาคตก็กลายเป็นกรงล้อของสังสารวัฏกิเลสกรรมบิบากกิเลสกรรมบิบากก็หมุนวนกันอยู่อย่างเงี้ยศากใดที่ดับตัวกิเลสมันไม่ได้กระบวนการของปัจจัยการกระบวนการของปฏิเจ้าสมุบาก็าจะเลื่อนไหลไปเรื่อยๆ าการศึกษาทรรมปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาในกลุ่มของเหตที่นำไปสู่ทุกเนี่ยสงสอนในแนวของการศึกษาพิจารณาเห็นโทษแล้วก็เพียงพยายามเพียรพยายามลดละบรรเทาให้จางไปคลายไปบรรเทาไปในส่วนที่เป็นทุกข์ก็กงหนดรู้ความจริงของมัน เพราสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยก็มันก็เรียกอุปาดาทิฏฐิปังคะด้วยเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมันมันก็เป็นก็มันอย่างนั้นแหละไม่เกี่ยวอะไรกันเรแต่ที่ยุ่งกับเรามากเนี่ยคือเราไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเพราะนั้นพระเจ้าจึงรับสั่งไว้โดยสรุปว่ากล่าวโดยสรุปแล้วจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทางนั้นเองเป็นความทุกข์ ท่างฟัง่งทั้งหลายใตรลบบัพติยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเทาน่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอองามไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี